นายุ้งเพื่อได้าาระหล่อนนนะรยอยอย่างีเ่อของนมเสายใ่ไปมาเข้าฝันองวันอนว่าท่านยังไม่าแล้วก็ไทำรที่สนไปแล้วผอย การเานนี่ก็คือว่าเอ้ยานมาเข้าฝันให้ประผมราบมีสองันตอนจำเนแปลว่าท่านยังไม่ได้มีโอกาสไปเกิดในวัฏสุอื่นใช่ไปกําลังแหลกระเพื่จะทบุญทับุญสนอบกันอย่างไรพอท่านไม่มีโอกาสจะเกิดกันเ่เาเอ้ยนาเข้าฝันเนี่ยแสดงว่าเกิดแล้วนะ ก็เป็นคนก็เกิดเกิดทีสัตเนี้ยก็เกิดเป็นเกิดก็เกิดแต่ทีร้าก็เกิดี่วาันสร้างเกิดี่ผมก็เกิดเกิดทั้งหมดคือเกิดกคนเขาก็เกิดหมายว่าท่านไป้เกิดแล้วแต่ว่าไปเหตคนมาบอกว่าไงนัเรียนไปแต่ฟังเขาสบายแลทันเด็กแล้วอ่ไอ้ที่สงยก็สองจากเอ การที่มาเข้าฝันอันนี้แสดงว่ายไม่ด้เกิดเลยพออบแต่พ่อตอบคือว่าผมจะทบุญทำกุศลแจกไล่เพื่อนจะได้ให้ท่านเกิดในที่ดีที่พอบหรือว่าเกิดแล้วบายยิ่งยิ่งไปก่านะสบายสมกับไทยเลยหาดการโอ้ยคือหาดการได้รีมาณเป็นที่อยู่หาดการได้ที่เป็นสมบัติแปลว่าท้าจะสมรภูมิพ่อก็ต้องสองอย่างนี้นะครับ เรียนหลวงพ่อที่เรพอย่ากสูงก็ท่องท่องตาฏิหานมาลูกฝันถึงสอุโลกุปปีบานของลูกเองได้หลนมาแต่หัไปสององค์ก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมของลกก็หล่นไปหรือว่าควรจะต้องเตรียมแบไรื้ว่าลูกมีเพราะทำหรืิบาปอย่างไรขอหลวงพ่อได้รู้แน่ และหาวิธีแค่หายห้รู้สึกสะอาดน้ำไ่ทำอะไรไม่เจองเลยแล้วฝันไม่โดนนอนฝันไม่โดนนอนนะไม่เจอกันเจาก็ไม่ต้องแก้ บางคั้งกเปัญรื่อปหทางปัญหาาใจ่าใช่ใช่ใช่ใช่ไม่แนะแต่เราม่ไดาทำนเรรือเปลลวการนั้นปสญารนี้ถะหลายที่ผ่านมาหลวโพ่อได้ทำสมาธิตอนใหม่เนี่ยจะมีความรู้สึกหรือตอนนึงว่าเพราะเริดเ่กรสงบปายปลายคณะนี้หนักจนเกินน้ ปราบว่ามีมากคนส่งเลยภาคเ้าของบางคนมีการาเหมือนสวัสด่การมีการเป็นวายในในยุทธนั้นด้วยนั่นนะที่ยกประเด็นต่างากก็คือว่าอาุิสารกราจายวายที่ลุกถ็นในขณะอารมณ์เดิมอย่างนั้นไม่ทราบว่าในทิศของเมืองยูวดาหรือจัวัดสุรินทรกหราอเปล่าก็่เห็นแต่เมืองเขา ไม่ใช่หรอกเรื่องนี้ธรรมดาเรื่องธรรมดาที่อเมริกาไม่ได้แล้วไม่าล้านสมาธินะใช่ใช่ไม่ใช่คิดตุยา ถ้าเราต้องรับรตัวตัวขอท่านเองแต่ในอรมณ์นี้ตาเราขอขาดต้องตัวจุกวงพ่อแยกย่อดังต่อไปนี้อ๋อให้เราตรวนะตรวจรื่องวดียวหรือว่าขนานี้ทีว่าเราไม่งเรื่องเมือตอนเก็บได้ได้ตัวไม่รู้เปยังไงเพราะอะไรอ้เนี้ยไม่ถามแต่ที่จะถามกคือว่าเจ้ากรมหมอหมอหน้าทางไหนมันบอกว่าอาจจะเป็นการรักษาพระภูมิปาน ทำให้ถูกต้องของเลถามที่จะถามก็คือว่าอย่างนี้ยังไม่ถามไล่ฟางหน่อยเช่ใช่จะข้บใจอย่างนั้นก็ถูกต้องที่จะถามก็คือว่าพระโงคท่านจะให้้อดสัมพน์ ท่เนเจ้อากได้หรือไมเพราะผมทราบมาว่าในวัาแปลว่าโคกมันเปิดแต่ไม่ให้โค้ต่อไปมีแต่ให้วนเสมอหรือว่ากระผมเคยมีสาที่สไปต้อมีบาขอแก็จะแก้เลยครับไม่หาไปิดาแต่ไม่แก้เลยอบดยไจะเรียนจะเริยนต่างประเทศแล้วเอางี้ก็เลยกันนะเพาะทิงก็ไม่หโค้งไทยเว้นแต่เราจทำโค้งตัวเอง กระผิ้เป็เบญจเวนาเนียเวรนาไม่เกิดไม่ได้ถ้าเกิดต้องเกิดตื่นเอตตาต่อพมเกิดขึ้นในเรื่องของเราเองั่ใจจิะอกหรือว่าบานหม้าย้รดกโดเออกดทะล้อกนเองก็ได้คุณแม่เราดูไม่ได้มาละลอด้วยต้งพาเดีมานั่งได้ใช่ใชใช่ใช่เดี๋ยวจะขอเจรจาต่อไปเช่นโอ้ล เวา่ีกบบางมกรยิงคนณรักอะไ่อยที่ดีนะมเป็นไรยังไงครับถ้าเราจะทะลาตัดเสียงมากไเราปิบัติาบารมีอาระเลาะาได้แ้เป็นคติบารมีด้วยเป็นธรรมะอยู่แล้วาบารมีต้องคิดว่าแต่ไปวันาะลกูยได้ไมดีก่าะไปนั้น เดี๋ย้าแต่เราทีาจะบาดไหนรขึ้นไว้ก่อนโอ้แบบนี้เรียกว่าเาบมาแล้วใช่ทั้นตีไปรื่อต้องอดทนอนดาให้นานใช่ไมโอ้โอ้เื่องมันขอให้ฝันเถอะฝัอาโอ่งของบ้านเลยโอ้่า่อระไงนี้ก็มีด้วยแต่ อาต่ออะไรฟาอะไรฟาเท้าเม่ดหอป็นคนทลกนี้เริ่มกลุใจที่โอ้แปแย่กับกรทำงานแล้วเท้าจะักษาแล้วยังไม่พอแกให้ถูกอาพาธพยาบาทหรือว่าทักษะไม่ออกีเฟยักจะต้องเล่นงานแกแก็ฟิ่ก็ไปตัวรกกใจ ว่าถ้าโดนไม้นี้จริงๆแล้วจะแก้ไขอย่างไรเยวิ่งไอหลวงพ่อเพื่อให้หลวงพ่อช่วยแก้ไขเพราะมีเหตุการณ์เริ่มเกิดขึ้นต่อไปนี้หนึ่งโอ้ยกูคโบราดูเดาเดาดาในขณะที่พอลูกนอนต้งเิรมยด้เห้าดำๆมีแค่เสกเสกเดียวเสกเดียวมาตากบลูก็เลยวิ่งตัวใหญ่ ปากคาะอว่าลุงพ่อช่วยด้วยลุงพ่อช่วยด้วยแต่มองดูลูกภาคแล้วลุงภาคลุงพ่อกระเฉงไเห็นถุงติ๊กช่วยของกลางกรมีถุงติ๊กดีกว่าเกื่อจมีพานแนะนไม่จำเป็นต้องเชื่อเึิ่มมาขึ้นเดียวกระเฉงยังไงยังไงตาขาเดียวแขนเดียวโยนไปได้จะโยนไม่ติดได้ใจก็ใจมันล่อยมันนะ ไมเปนรแล้วนับยังมีช่หรือเปล่าล่ะับ้นะรอ่าเีหลพอเลยใช่ไไปถึจะขาแล้วว่าถ้า้ผอนเน้มาว่ามัติสามติด้านี้ขบเลยอถ้าขาเลยก็ชาคล้อกันคองกันก่อนน้อยๆน้อยๆสามันติดเช้าไม่ถึงสามครั้งยังนกันนะจะเห็นชาแล้วถ้าไม่ติดเ้านี้โอน สัมปติการสวัตถาร์เนีหาก็แ่ข้อำวัตถุาสตรนั่นอครับโดยกาองนต่อไปต้องตดตัวเรื้ทหารสองหมงอยู่แล้วนี้แต่เจ้ดห้าที่การก็ังไม่ลงอู่อเคยว่าเยอะแยะมากมากเพราะเลยก็ฆากัวมีระยะพอเนี่ยตุหารก็เป็นนะ ไอ้เจ้าแม่ตัวเก่าไเยี่ยมไปเลยฮ่า่ถ้าวกนนจะมเรื่ออยู่ตรงตรรู้รูเป็น่นี่นะตอบรตนามได้นะบ่อยๆมีคนขอคำตอตอนนี้ถ้าบกวาการค้าหลอดรถักสูงเป็นคนบาณสานกาบเขายอยากเทวิรากไม่ว่า ตานัทเขาเโทโชคดีสมบูรณ์ดีสบายดีความปฏิรูปกอากเาเยอแล้วแต่ว่าคิดไม่คดม่ไ้คิดม่้คิ trick, ่ <that> like, ้ไ่ด้คิดแม่ไ้าไม่ไได้คิดไม่ไ่ได้่้ค่ไิไมไ่ิค่่่ได้คิดคิด่้่ อ่าโะกส่อยหลวพ่อหนึ่ปบาทไปการสมทครูนวลเวลานักเรยนถึงขมดอะไรนะในบทบสิทธิ์นะสิธิรามบทที่สามบทสิทธิตาโง่แบี้พระสยามเทวาธีราชจะโอเคราจะรัให้ผมรู้ไลยว่าถ้าเขาไม่ยอมไม่ได้พระโสาสิ่งาพูดไม่ได้พระโสาสกระตเขาอ เขาลบลบนอกสลวพ่ออยู่แล้วเขาต้องใจใจคนเดิมใจทำไมอ่ะตอ้ใจฉันถ้าไม่เใจคนเดิมตอนยืมเบอดทีพานมันก็ไม่ยากอะไรเงี้ยแค่สมาทานชิ้แต่เต็เตียงอะไรก็ได้เขาไม่ได้ห้ามไม่จำเป็นต้องขายหรือเมลไปใช่ใช่ เอื่องล่องหนาเรื่องนึงคือว่ามันมันต้องเอ่ยตำนานนะแหมไม่ส่เข้าไปล่งหาเรื่อาาไต้องให้เปนนนาเกี่ยวกะลาะกน่เป็นปัญญาโดยรมีโอาไเลัไปเื่อี้ปรัชนาญาณใช่ใช่เราทะเลาะกันต้องให้คนจะไดอะไรมีะไดอะไรหนึ จะได้หลบบลล้ซ้อมขันิตมีในตัวเสร็จไม่มีเสียอะเราะใช่เลยนะแล้วก็บรรายธรรมบารมีอือตอนนั้นไม่มีความรักเกิดขึ้นทำลายราคได้เลยไมี้เหมดเองทอะไรเดื่ะเลาะมันไแลนะไม่ได้เปนามไม่ได้ วีวีจะไรอมกัน็กต้่างคครับ่เอาอย่างนี้ก็ตอบว่าผูริหารไหต้องทให้เป็นแนั้นไม่ได้ไม่ได้แน่นอนมันต้องเคยปรากมาแล้วนะมีตัวอย่างมีตัวอย่างเยอะแยะไปผมเป็นการไม่อยากให้คนพ่อเรากับคนลูไปต้นไม่จำไ้เป็นตัวอย่างไปต้นได้ก็อะไร ก็่อว่าตาคนเดียวไตเต้นแล้วก็ไต้ไหวเพราะ่ามีผู้หญิงคนหนึ่งะอนนั้นฉันอยู่วัดตับทองของท่านนะไปช่อเป็นสองปีตดยพ่อท่ามาจัดไว้ถ้านอนนี่สำเร็จจตหมดปีสวายสามเดือนถ้างอนนั้นสำเร็จจะเป็นว่าจะจ้างคนมีบทแทนจะได้บึกปวดหัวไม่สามปี เขมาหาสารเคมีเรื่อยๆก็หาสาได้แต่ก็ดเอ้ยหงพ่อตังค์อยาก้วดขึ้นมาแต่ว่ามันเด่นไวแต่มันติดขัยามัแจ้งนอื่นมผมยอมไม่ได้้ที่ปวดหัวได้ผมก็หลับใช่พอติดพวกรัดจองให้จบปวหายทันทีแล้วก็ต้องไปทำนั้นตรงนก็อะไรจต่ทำอะไรก็ไปทำนั้นต้องไปทำนั้นนะถ้าติดแรไม่ได้ จะรักษาเทวทิฏฐิโดยหวพ่อสุขล่องคาขาวผมจะใครจะนาจะโบนัสงานที่ไหนให้ดูนะเดี๋จะเข้าตำราแบบหาวงพ่ออะไรตัดสายแข่งคนอะไร้วือตัดสาเรื่องนี้ตรอ่าอันนี้กระดูกหลังอาอาทานปักไทยลองพูกมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อจะหา ทั้งตอนร้อนที่ความมีมูลมันคลอเป็นลนประเด็นการเกิดส so <c oughs> oh, okay. ิีารเกวาอันตรายอย่างมากเลครับเลืออก็าและแต่วากนฐานะลูกเป็นชาวมออยู่ภา้าูกเองมันจะมีรุกว่อันตรายสนไม่ใช่รูนี้จริรู้แก่อรูปแก่้แกรเฉแกแล้วสมมติว่าจะีอะไรเกิดขึ้นบบนู้กควจะเตียมตัวอย่างไร ข้าหาก็จะเอาถุงล่อใส่กรอือว่าถ้าปลุกไปปรประสารมันจะสามารถัน่งได้ได้ได้ได้ได้คุณยืนนะะเอาไปเลยจะได้ไม่เท่ายันไว้เหมือนคาทํหนาเปอยได้ไม่ได้เอาที่ที่คุณพานะในบ้านบ้านหนึ่งใครเู้ใคเมานะแต่ในข้ายานุภาพัมในถินเดียว จะบกไปบกมาเขาไม่หลงรำแลนไปสุดข้างๆนทำหนุนใจเหลือบ้าเดียวไปจบหมายไปเรียนะเขาจะตอบมาโดยเองไปเองสมองเยอะอะไรยอะฉันถือพยานเห็นเดียวโอ้โฮเองจะพ้ไม่อยากตอบเลยนะไม่อยากแพ้หลบหลบใจใจให้หลอกตอบให้หลอกตอบเลยาณร์ก็ใ้ทั้งหลายก็ ควรจะเอาละยันแต่เราต้องตอบแด้ในของวนธมอขอีสมัยรงป่บางของวัฒนธรรอ๋อเที่สมายก็สมัยรุ่งป่ามนี่กันมีรม <c oughs> ุ่งป่านหรืจะเอาไม่ใช่หรอไม่ ใ, ใช่ะะกากตา ง, งเาอคมาารถพยายาอบได้ไหมก็สบายใจได้แล้วไม่ต้อเป็นตัวอะไรห <c oughs> รอกไม่ตองลองดูกปรเนนะคล้ายใจมั่นคงแล้วกันนะโอ้น่เป็นไ หลวงพ่อทระอย่างโงแต่ผมฝันไม่ดีเลยครับผมฝว่าหลวงพ่อแต่งตัวเป็นฆราวาสนุ่งกระงเหมผมเปียกใราุกะเจเลยใช่ใช่ใช่ครับแปลว่าหลวงพ่อได้เดินมามาสอนพระธรรมสารแต่ผมคิดจังนี้ครับว่า การที่หลวงพ่อแต่ทีุ๊กเราว่าสอนสมรมะให้นกองสนะอาจจะเป็นเพราะว่าสงบทำอารมณ์ต่ำจนไปไม่สามารถที่จะเห็นตุ๊กลักหลวงพ่อได้หรืว่าจะเป็นโรหิตใจก็ไม่ทราบไปยกปมใส่กันหนึ่งว่าไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อจะหมดตลองสุือ่ปล่าสงสัยจะนม่เห็นกันกัน ยู่ส <effects of the tide> well. <ah> ุดสุดยังยังไม่ตายฮ่าฮ่่าฮ่าม่แต่มาจันน้ำจิ้มแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าพอมาต้องแต่งงานใช่ไหมต่งงาก็ใหตบันน้ำจิ้มแค่เพียงไหวฮ่าฮ่ สันไม่เวลาก็สัมใช่ไหมก็สัมได้สิกก็ไม่ได้สิทธิ์มาจองสัมเงินเงินชาลีองใ่ไหมสัรว่าสธิ์ก็สัมเจนาระวสิเนี่ยสุดยอดเลยแล้วระวสิทธิเนมสียใจเพราะวสิทธเจนนั้นเอานวามอย่างอยู่ก็จะหาวง่อปานก็ผมตงสิทิ์ไหมแต่ท่านบอกว่าอยู่ยาวว่างไงที่เรจะเข้าบ็จะเบดอะไรีอยู่าวว่าอย่า ตนเราไปเดือดไป้าเขไปสาอนงเี้โหโอ้โหอ้ห้าหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหอ้โ้โหโอ้โหโอ้โหโออ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโ้โหโอ้้โหโ้โหโอ้โหโอ้โ้อ้้หอ้โหหอ พื่แม่ไม่ได้สิครับธรรมดาเพื่แมนม่ได้สแต่ไม่ได้บอกว่าพมัญหาเรื่องผ้จาไปละนะไปามากไม่อาหันไม่ใชไม่ถายยานถ้าบอกไอ้สองคนนี้เพื่อนทั้งองคนเนี่ยข้าวจิตกัญชาเมนองต้องเข้าป่าห้ามเข้าเมืองไอเขาป่ายันตายถามว่าชอบอะไรครับเพราะว่ามันชอบเล่นในปริยา คนมากยึดมาคนไม่ได้คนมากให้เองนี่ถ้ายี่สิบเนต้าก็ออกากวัดแต่เสียอยู่ในวัดไม่ไปดีถ้าย้ายสถานที่ก็ออกสิเกียวกันเพื่อว่าถ้าไป่ยี่สิบเซนต้าก็ป่วยหนักก็ออกจาวัดอ๋อที่ออกเพราป่วยเลยป่วยป่วยไม่เลยไม่เท้าเดกที่เกี่ยวก็แว่าลาออกสิท่านเขาก็ให้ออก พอให้ออกเขาก็แต่งตั้งมาใหม่สารผลเราส่เาเข้าไปเขาจะส่งใบแต่งตั้งมาเของค์เจ้าแน่เเขาจะกานั่งมาด้วยนะอันให้ออกไปตั้งใหม่าน้บอาไป่าวาต้อสารสาี่ันคงไม่เชื่อเอบอกว่าอะไรของก้ออะไรยี่ภาษาแล้วจหออกตัวบไป ถ้าอยู hmm. ่ในบ้านก็จะวนมากถ้าได้ประเดี๋ยวจะรับมาแล้วนะก็มาอยู่ในเพื่อนหนทักหนึ่งถ้ามาอยู่ที่เหตนาดไม่มีภาระก็ได้ผลตรงนี้ได้ผลตรงที่จะไม่มีภาระไม่มีภาระอื่นเพะไม่ลงมาติดช่อแต่มาเมื่อเมื่อแยกผลตามท่านต้องการนะภาระก็เกิด ใคร ย, ย้ายเ้าใหญ่ตามไมาว่าท่างออกจากให้สร้างเขาใหญ่ที่วันั่นนีคือไะสร้างวัดร้างนะเลยรา้านขึ้นมาตามแปล ว, ว่าแกจะน้องทายขัโดยจะเคยทาทรัฐไม่เคยจร่วงาสสมัยแต่นี้มันจบแล้วก็จ ะ, าจจะทาใหม่ทำเรื่องเดิมตามเดิมให้แก เ, เป็นเรื่องเดิมเป็นยังไงมันก็จบใช่หมอ<า><า>ันนี้เรืองดมไม่อีกจกตูแล้ว ที่แปลว่าที่วัดแห่งนีุ้พ่อเคยมีเดียวโดนนาบิ่มเป็นสองวันที่ผมบอกเลยพ่อไปช่วยาเป็นช่วยซาหรืเป็นช่วยวาดะเป็นพ่อทัพเฮ้ยนายทพคุณผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายไดพ่อทัพพ่อทัพเดินทัพผ่านไปเห็นว่าจนไม่เจอนึ่งเลยเพะว่ารั้งแรกก็ไปหลวงพ่อจันที่เรื่องจะมาจะห้เก่า เป็นพญานะะก็ีย า, ะะาว่าโ อ, อ, อ, อ, อ, อนเสิง น, น, น, น่ยตเล็กโตเต่ก็เกิดข่ายันข้าศูแดงหนังเหนียวเจาะาระหรังกระหังหลังมันทำทีเราะนี่จำเสด็แต่นั้นเวลาไปเดินภักยีไใดก็ต้องไปพักที่นั่นถ้าเรารู้จุดก็เทิดส้าให้ลงเลย้งมาล้าต่อมาสมัยที่สองวาระหนึ่งะอนนั้นเราไปหาว่าที่สมัยที่สาม เขาบอว่าตรงไหนเจอจะเลมเกิดได้ว่ามาทามีอนุสอนอันนี้มันไม่ใช่จอมก็ใหญ่ดผมเด็ดตเองเลยปัิสังข์มายอปัจจุบันนะครับใช่ท้าหมดแล้วอนี้ผมด้วยสิโอ๊บสู้ก็ทำทิ้งเตือนจำเ้ยวแจะมากอว่าให้ทำทิ้งทวนมันหมาาว่าคนทุกคนที่เป็นลูกหลานทั้งหมดเกิดไชาติหน้าถ้าเราเอเยอะต้องเกิดอะไรที่เขาว่าไม่มีจะไม่ก เขาควจะมีทุกอย่างตามที่ต้องการอาจารย์หลักทองถ้าเขาโม้รูปสามขันธ์ไม่เกิดก็ถ้าหาวัดปฏิทานก็ว่าไปปฏิทินจะเสมอกันนะแต่บางคนก็ยังอ่อนอยู่ยังปริทินไม่ได้ไอ้สวรรค์ได้ทำเกิดเลยทุกอย่างตรงนี้หมดแล้วที่วฏิทินไม่ทำทุกตัวนะงานก่อสร้างีจะตัวจะตกบริบูรณ์หรือยางอยง คานเตรียมมาเตรนอยู่เหาแล้วเหานี่เหล่ามันขายไม่สบายแล้วแต่ราคิดว่าสร้างมันค่สร้างทางเดินได้คือว่าเสร็จนะสร้างวิหารนั่น่็โอ้โหเสร็จก็เหลือการสร้างสถิตเล็กๆนิดหน่อยก็เสร็จท่านบอกอย่างใจจนได้มีใช่ฉันสังมาสองปีที่ผ่านมาทางเราอะไรครับสองปีเรเดินไปดูโบสถ์จนไม่เล่าพใจครับ ฉันบอกให้รีลรวคาของขาวเป็นไม้่จะปลูกต่อใบไ ม, ม้ไม่จะแพงมากพระจะทำบาปให้ทำให้คนติดเชี้อเมื่อทำให้คนิดแล้วก็ิดทองหมดติดทอมยันฐานบาปทำใไมติดกระจกให้ทำลทาด้วยก็ะบอกถ้าตัง็นหาเองเราเลยบตกว่าการติดทองมันหองเร็ว น, นะครับเรท่านบอกไม่เกี่ยวเราต้องการอนส์ ผมก็เคนขายของขายของใหม่ๆเดีไปเก่าไปเขาช่านเขาไอะไรเขาขายแล้วไหมแล้วแต่เรื่องเราทเสร็จที่สองมเสร็จแล้วสขัสบยงาน่ต้องการให้ทุกคนมีทุกอย่างถ้าราเออไมต้องเกิดจะอายุเาถึงก็ถึงไปดูเราม่ยอย่ะแย่ะดีที่หลวพ่ออะไรข้าววัดตีเนี่้าวตีนั่หมถึงถ้าเรยืก็ข้าวเราตีอยู่แล้วเ คุณพระวงพอเหียวอร้อนะหลวงลาวพระวามลงโอมลาบุญคอยโอ้ยคุณตายไม่ได้ตายแล้วครับต้องตายสลหลังชันบันเวลาเยอะก็ตายคืออย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะมีขึ้นไปจะแช่งผมนิดแช่งให้แต่ไม่ให้เจนให้มันเรื่อยๆจะแช่งไว้ การแช่มาจนเห็นอดตายแต่เรอย่างนั้นเราฟอกคอที่จะดูแช่หมดเชื่องไร้คได้มอาจจะให้ดูในวต้องถึงาต่อไปมาต่อตอนไนการกินเช่เชื่องทุกวันไหมใช่ตอนไหนเวลาไหนเวลาไเวลานอนนอนแทนคุณผู้ถามตอนนั้นนะไอ้ติดเห็อดป๊อเห็นทุกเดชทุกองทั้งร่างหมดทุกอย่างเลยนะไหว้เ้วยไปก็จะข้างตัว ชนิดการข้างๆตัวมีเทวดาเยอะดินดีเยอะแยมากมาถ้าไปไหว้เรื่อไปบมดถึงดาวดินไดไหว้จะมารวกันก็้วิานเสร็จแล้วจับก็เข้าจะเข้าบ้านพอเข้าบ้านปับเด็กเขาบอกอ้าเรื่องแ่งรืแฉแต่งแฉงลงมาุมอ่ รู้บงาคนรู้ป้างไรืรู้ป้างหลับบ้างทำอะไรก็อะไรเปนบ้างนี่คือความทั้งรู้รอบศรีไอ้ที่ไม่สนใจทำอะไรก็ไม่ได้ทาอะไรไม่็นใจไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราต้องการอย่างเดียวคือแค่ไม่สนใจโอ้มีน้าหรอเปล่าโลกใบมีความรอบตัวแต่ลำบากนะครับ ก็จากันนรารของลูกพ่อทีนผลก็ลูกตาเนะ่ราขอลพ่ อ, าาอกจ้ตลอดใจวายไไไไุ่หนอุ้ยอ้ยอยอุ้ยอุ้อุ้อุ้อุุ้้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้อุจยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ลอกเยอุใยอุดยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุกยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้อุอุ้ยอุ้้ย้ แต่เจรนาลิศนตั้งใจจะไปโดยที่ใจเงินว่าสามวลกหน้าไว้สง่งตีหากว่าลูกไปไม่ได้หรือลืมในขณะที่หลวงพ่อกำลังทำทิเทีขอวาลมิหลวงพอดึงด้วยหลงก็อรอูกเลยนะถ้าไม่นนลูกจบไม่ละหลองพ่ถ้าลืมมันไม่ผลนะ<อ>ต้องตั้งใจครับ<อ>ถ้าไม่ไปก็นัางหนาพุทธลูกจะที่ไหนก็ได้<อ>ตั้งใจภ า, าวนาพุทโธ ใชเวลาที่พวกม่นตึงเกินนะใช่ได้อ๋อสมว่าเอาเวลาวัดข้าเป็นใช่ใช่ใช่เจ้าปราไว้เปนโมงท้ารอบแรกบ่ายของโมงรอบสองบ่ายสี่โมงรอบสามแล้วก็สุดท้ายก็ไม่มีอะไรบายหโมงตุ้งกุติวันนี้ก็มีบางเดือนตอนเริ่มต้า เราบอกว่าสัสาสุขภาราูกเป็นคนธรรมะงมนเล่นัะการจางระบาดธรรมะคุ่ามากโดยเฉพาะมากเรื่องของมีแต่งข้ออะไรไม่ได้เลยท่านบอกว่าเป็นสอบกางาเปช่วยเหลือท่านมทุย่างทุกการแม้แต่เข้าโ่วนักสอบก็ตอกเพราะเป็มธรรมะจะเพิ่มวกการอะไรมัน้ะเป็นงานทีลมเราหนึงท่านโาไปต่างประเทศที่ได้เทศจีนมาเป็นนัอท่านก็ไปล้อกเองเสริจแล้วถามว่าคุณมีลูกกี่คนากยังไม่มีลูกเลย ขอมารามาหลอมเดือนมาให้ผลมาให้บ้านเพือตรวจสอบมีอะไรสับก้อนบ้านคุณป้าเขาเลยคงกระิบขออล็กต์กใจมากมาหล่อนไม่ตงใาบน้ส่ตาลฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่กฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าาาาาาา่า่ จยงเจ้าพรว่าอกไปแล้วเจ้าคไม่เป็นไรไม่เป็นไรจิตใจไม่ได้มากไ่เป็นไรนะอะไรเพาะว่าองค์รูนะอะไรโอตกลงเลยคไม่เป็นไรนรากไม่เป็นไรคือไม่ตกใจมากใจสมมติว่าถ้าเราจะเป็นต้องเบยนทุ่มก็ให้เขาฟัาให้เขอยู่ก็ไม่เป็นไร มันจำเป็นจต้องันหม้ว้ล่างข้างล่างใช่ไหมต่วาอด่งที่มันมีจโครบไม่ใช่หมดนามันจำเป็นตใส่ก็มันจะใสถ้าไม่เสือมอาีที่มันเสื่อมไ่หมายถึงว่าจะพาะพระของวัดท่าดุหรือวดที่ัก็ยั่อเไห่เทียนเท่าไหรถ้าเขาจะใส่ศาสตร์เสือมถ้าเขาจะศาสตรไม่เสื่อมแต่ฟังดูไม่แต่กรณีที่ว่าไอ้พอร์ตไอ้พอ ขอส uh. อยอะไรไว้หน้าช่วงนี้มีทหารของเราไปงานเต่ากันดอกเื่อนเข้าช่วงนี้ขอเสกขอสร้อยไวหน้าในการโจรงานี้ผมมีอะไรถึงแล้วไม่สี่ทีที่ผ่านมาสร้อยทองสี่บาทที่พระเขียนด้วยกระพงสร้นยหน้าช่วนออกมาพระเอาสร้อไปแล้วพระตาสร้อยหนีไป si นี่แหละแค่ไม่รู้ตาหมาตาเรือก็เป็นด้วยรู้เลย เย่างนั้น